ปัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติขาดกรรมฐานนั้นก็คือมุ่งให้เกิดความสงบเป็นมุ่งให้เกิดความรู้เป็นประการสําคัญส่วนอุบายวิธีในการปฏิบัตินั้นทรงจําแนกแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆ แต่ถ้าผลออกมาเป็นความสงบเป็นความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในท่วงยาเวลานี้เป็นที่น่าสังเกตว่าจะมีการแสดงความปรารถนาดีการส่งขอสอกการตั้งความปรารถนากันโดยประการต่างๆซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของบุคคลทั้งหลาย แต่ว่าการตามความเป็นจริงแล้วในเรื่องนั้นๆมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองกฎของพระพุทธศาสนานั้นได้ทรงแสดงในเรื่องของเหตุผลซึ่งข้อดีท่านสาธุชนทั้งหลายคงจําได้ว่าพระพุทธดํารัสที่ทรงแสดงโดยสรุปนั้นก็คือทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ พระถามโคดจ้าทรงแสดงเหตุแห่งทำนั้นได้ความดับแห่งทำนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้เพราะไม่ว่าจะเราจะมองจากจุดใดก็ตามก็จะเป็นเรื่องของเหตุของผลผลทั้งหลายนั้นที่จริงเราไม่ต้องทําอะไรมันมันก็เกิดขึ้นมาเองตัวการที่พึงประกอบกระทําจึงอยู่ที่เหตุไม่ได้อยู่ที่การเรียกร้องผล เพราะแม้จะมีการเรียกร้องผลการตั้งความปรารถนาผลโดยวิธีการต่างๆจะโดยวิธีใดก็ตามแต่ถ้าการขาดการประกอบเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเป็นภาษาสามัญสามัญที่เข้าใจกันง่ายในที่ทั่วไปได้ทรงชี้เห็นว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาผลเช่นไรแล้ว ผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามแม้แต่น้อยแล้วธรรมะทั้งหลายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเพียงแต่ตั้งความปรารถนาเอาเท่านั้นเราก็ได้แล้วแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นไปไม่ได้และบางอย่างมีการตั้งความปรารถนาด้วยการให้สิทธิ์ให้พรในลักษณะที่ขัดแย้งต่อความจริง บางทีก็ขออยากให้รู้จักแก่หรือจักเจ็บหรือจักตายซึ่งว่าที่จริงแล้วไอ้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นมีได้ถ้าหากว่าไม่เกิดแต่รัาศาดาใดที่ยังมีเกิดอยู่ความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีอยู่จาบนั้นแต่ทั้งทังที่รู้ความจริงกันอยู่ในเรื่องเหล่านี้ก็มีการตั้งความปรารถนาหรือการให้ศีลให้พรกันด้วยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ เ, เรื่องที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันมากบางทีก็มีการให้พรหรือการตั้งความปรารถนาโดยไม่มองในเชิงของเหตุของผลว่าสมมุติเราเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตนชอบใจจริงหรือเช่นขอให้มีอายุยืนเกินร้อยปีหรือบางทีหนักก็้นไปอีกขออายุยืนหมื่นหมืนปีเป็นต้นทั้งกรณีจะเห็นว่าถ้าอายุร้อยปีจริงๆหรือกว่าร้อยปีจริงๆ เราจะยินดีในอายุเช่นนั้นจริงหรือเพราะสุขภาพพราณาไห ม, มสติปัญญาอวัยวะต่างๆก็มีความวิปริตวิกลวิการไปด้วยประการต่างๆไม่จะเป็นสภาพที่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ประการใดก็นีอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรวบตะกุมารซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดขวบแด้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ศีลให้พร ว่าให้มีอายุยืนเหมือนกับคุณยายซึ่งในตอนนั้นก็มีอายุยืนถึงร้อยิปีแต่เด็กอายุเจ็ดขวบก็คิดว่าถ้าแกมีอายุยืนมาจนถึงร้อยยสิปีก็คงมีสภาพอย่างนี้หูตาก็พราบมัวไปด้วยอาการต่างๆ่าอวัยวะมือเท้าก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ต้องอาศัยคนอื่นกินแล้วก็ไม่ได้กินตลอดถึงแม้แต่การขับถ่ายการใช้รนยารบตาุต่างๆก็ลําลบากไปหมด ทำให้มองเห็นอนาคตเป็นเรื่องที่น่ากลัวแทนที่จะน่าเป็นเรื่องชื่นชมยินดีและจากประกายของความคิดจุดนี้เองที่ทําให้ท่านต้องหนีออกปวด ท, ท, ท, ยยปวทั้งๆที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นแต่สําหรับบุคคลที่ไม่ได้มองกันในเชิงของเหตุของผลก็มีการให้สีทธิให้พรหรือการมีการตั้งความปรารถนากาันด้วยวิธีการนี้โดยไม่มองถึงผลสมมติว่าเกิดจริงๆ ก็เป็นที่ชอบใจเป็นที่พอใจกันหรือไม่แต่เราก็ยังมีความยินดีพอใจที่จะได้ยินได้ฟังพ่อในลักษณะเ ช, ช่นนั้นหรือว่าตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นเช่นนั้นหรือบางอย่างเป็นเรื่องของความเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีการตั้งความปรารถนากันหรือให้ศีลให้ผ่กันคติไทยเรานั้นไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ว่าในคติจีนเราจะพบว่ามีถ้อยคํำจำนวนที่ขอให้พระองค์มีประชน์มายุยังยืนหมื่นหื่นปีหมื่นหื่นปีทั้งหลายหลายหมื่นปี ก็โดยไม่ได้มองกันในเชิงเหตุผลว่ามันเป็นไปได้ไหที่คนมีอายุยืนตั้งหมื่นหมื่นปีหรือว่าหมื่นปีเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่เราก็หลงปลืม้มชื่นชมยินดีกับคําชื่นชมเหล่านั้นด้วยคํำอวยให้สีในพรอเหล่านั้นเรื่อนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงโมหะด้วยโลภะที่เกินส่วนโมหะที่ปิดบังสติปัญญาเอาไว้อันที่จริงความเป็นในด้านต่างๆนั้น ตามปกติแล้วพื้นฐานใจคนประกอบด้วยภาวะตันหาคือความต้องการเป็นต้องการมีในฐานะในตำแหน่งต่างๆในส่วนลึกๆของภวะตันหานั้นที่จริงแล้วมันก็คือรรสัจธรทิฏฐิได้แก่ความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้แน่นอนดึงนลองสังเกตว่าลักษณะของภวะตันหานั้นเป็นอาการของโลภะแต่ตัวสัจธรทิฏฐิเป็นอาการของโมฆะซึ่งก็หมายความว่า ตัวโมฆะเรือวิชานั้นเป็นรากง่าวขนาดมหึงมาของบรรดาสัพพิกิเลต ท, ทั้งหลายที่จะเรียกชื่ออย่างไรก็ได้แต่จะมีรากมาอยู่ที่ความเขา่าหรือความไม่รู้นั่นเองบุคคลจะมีการสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะเหล่านั้นฐานะเหล่านั้นตำแหน่งชั้นยศเหล่านั้นเป็นของเชียงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรารถนาสถานะเหล่านั้น และแม้แต่เห็นความเสื่อมลาบเสื่อมยศประสบการ์นินทาประสบความทุกข์ของเพื่อนทั้งหลายหรือของคนใกล้เคียงตัวเองหรือว่าของตัวเองในบางครั้งบางโอกาสแต่ก็จะไม่ยอมมองมาถึงสภาวะเหล่านั้นว่าจะเกิดขึ้นแก่ตนมองเห็นความไม่เที่ยงที่คนอื่นที่สัตว์อื่นอาจจะพูดอาจจแสดงชี้แจงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของคนอื่นสัตว์อื่นได้โดวยวิธีการาต่างๆ แต่พอถึงตนเองกับความเป็นของตนชักมีความรู้สึกว่าเป็นของเชี่ยงเป็นของยั่งยืนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนใดไปแต่ประการใดก็กให้เกิดการบวมองประมาทหลงเพลิดเพลินอยู่ในภาพดวงตาเหล่านั้นที่จริงเราเป็นคนสร้างเกิดมาเองดังนั้นถ้าหากว่านุคคลจะตั้งความปรารถนาซึ่งแน่นอนว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ความมุ่งมั่ปรารถนาในผลที่ตนประสงค์ก็ย่อมจะมีอยู่เป็นธรรมดาแต่ประเด็นที่สำคัญถ้าได้ยึดหลักโครงสร้างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในแง่ของความจริงว่าอย่าให้ปรารถนาเกินเกินธรรมดาไปจะเกินปกติธรรมดาเช่นว่าคนเราจึงซึ่งจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาและปรารถนา่าให้แก่ คนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้เจ็บไข้คนต้องมีความตายเป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้ตายคนที่มีพลาดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาปรารถนาไม่ให้พลาดพลาดสูญเสียซึ่งข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่ามไม่ใช่การฝืนกติธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันในแต่ละจุดนั้นสามารถที่จะชะลอไว้ได้หรือสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้เข้มแข็งไว้ได้ ในอา ย, ยรุ่นราคราวเดียวกันเราทำให้เราแก่น้อยกว่าเขาได้ในทรามกลางคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยกว่าเขาได้ในกรณีที่คนต้องตายเป็นธรรมดาเราก็ระมัดระวังไม่ให้ตายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นอาการละมรณะได้คือตายในเวลาที่ไม่สมควรจะตายได้แต่ ถ, ถึงคราวตายจริงๆใครก็ไปป้องกันอะไรไม่ได้ ในความพระดพลาดสูญเสียก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือของที่อยู่ในควบคุมบังคับบัญชาดูแลรักษาของเรานั้นเราก็ควบคุมไม่ให้สูญไม่หายไปได้ในบางอย่างในบางโอกาสแต่ไม่ได้หมายความมาทุกการทุกโอกาสเพราะจริงๆแล้วถ้าปรารถนาเช่นนั้นก็เป็นการฝืนกติธรรมดาในกรณีที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหล่านี้เราปฏิบัติเพียงแต่ในลักษณะชะลอ คือควบคุมเอาไว้ด้วยการบริหารกายบริหารจิตอาศัยพวกลักษณะทางอากาศทางอารมณ์ทางสังคมทางความคิดจิตใจเป็นต้นก็จะค่อยผ่อนคลายบรรเทาความวุ่นวุ่สับสนภายในจิตใจของตนเองลงไปได้ทีนี้ในขั้นที่จะปรารถนาผลที่เราเรียกว่าอิจผลที่ตนต้องการ กรณีเพื่สังเกตว่าผลที่เราต้องการนั้นท่านกล่าวสรุปไว้เป็นเรื่องของโลกธรรมทั้งสอย่างที่ทราบกันูุเรื่องลาบเรืองยศเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขแ้าแม้แต่เราสนทนากันจะสนทนาปรารบลาบยศสันเสริญสุขถ้าสนทนาเรื่องของคนอื่น เ, เรื่องของตัวเองคือเรื่องที่เราต้องการปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นสรุปแล้วจะเป็นเรื่องของลาบยศสันเสริญสุข แต่ถ้าพูดเรื่องของคนอื่นมักจะพูดเรื่องเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาหรือประสบความทุกข์นี่แสดงเห็นว่าโดยพื้นฐานความต้องการที่เป็นหลักจริงๆเมื่อกล่าวโดยสรุปทิ้งที่สิ่งที่คนมุ่ง ม, มั่ปรารถนาก็คือลาบยศสันสนสุขแม้นิพพานเองก็เป็นยอดของความสุขดังนั้นความปรารถนานิพพานก็คงชื่อว่าเป็นปรารถนาสิ่งที่เป็นความสุขนั่นเอง แต่ว่าเมื่อกล่าวด้วยเหตุผลรานนี้เพิงดูตัวอย่างการปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัสมัยเป็นสุมเมตมานุปท่านมองเห็นพระทิพังกรพุทธเจ้าก็เกิดความชื่นชมยินดีปรารถนาความเป็นอย่างที่พระองค์เป็นแต่ในที่สุดเมื่อตรวจสอบดูคุณสมบัติของตนว่าสามารถจะเป็นได้หรือไม่ก็ปรากฏว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็น เพราะคุณสมบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นตนยังไม่มีในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่ตั้งเป้าหมายคือตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในโอากาสต่อไปคือจะนานเท่าไรก็ต่อจากนั้นเมื่อได้รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญเพียรพยายามเพื่อความเป็นที่เราเรียกว่าสร้างบา ร, รมี เมื่อถึงจุดหนึ่งพระองค์ก็ได้เป็นอย่างที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้แลยความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นได้ผ่านขั้นตอนคือมีความมีเหตุมีผลของการอะไรกันอยู่ในตัวพอทำให้ประสบความสําเร็จได้ประการแรกคือสภาวะที่เราต้องการจะยกตัวอย่างว่าอายุวโนสุขขังพลังที่ให้ศีลได้พร้อมกันเวลาหลับยศสัเสนสุกระตาบจริงเหล่านี้เป็นเพียงผลเท่านั้นเอง ผลสุดท้ายในกรณีนั้นๆไม่ใช่ทุกกรณีเห็นไหมความว่าเช่นว่าปรารถนาเสื้อผ้าก็ตรวจสอบเงินดูก็ยังไม่มีเงินก็ลงทุนทําการงานได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าเพราะการได้เสื้อผ้ามาก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ความเพียรพยายามหาเงินมาก่อนแล้วนําไปซื้อเสื้อผ้าทีหลังเพราะมันจึงมีอยู่สามตอนด้วยกัน ตอนแรกคือลาภยศสรรเสริญสุขเรอยุวนาสุขภละพวกนี้ก็เป็นเพียงเป้าหมา ย, ยไม่ต้องทําอะไรแก่ๆเพียงแต่ประกอบเหตุเพื่อเกิดผลผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นอันถ้ามองในโครงสร้างของอริยสัจทั้งสี่พวกลาภยศสรรเสริญสุขก็ดีพวกยุวนาสุขาภละก็ดีที่คนต้องการปรัชนากันนั้นมันก็เหมือนกับนิโรธสัจในอริยสัจมันเป็นผล แต่วันนี้โรจนั้นเป็นผลสูงสุดพวกนี้ไม่จะผลสูงสุดคือผลในกรณีนั้นๆธรรมดาว่าผลทั้งหลายย่อมเกิดมาจากเหตุในเชิงของผู้มุ่งหมายความสําเร็จจริงๆเมื่อเราปรารถนาผลนะรู้ว่าผลนั้นจะเกิดมาจากเหตุก็ตรวจสอบดูเหตุว่าเหตุเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นตนได้ประกอบกระทำถูกต้องสมบูรณ์ได้หรือ ย, อยัง หรือว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านั้นหรือไม่เ mm hmm. มื่อตรวจสอบดูถ้าเห็นว่ายังไม่มีคือตามปกติก็ต้องไม่มีเพราะ้ามีผลนั้นต้องเกิดแล้วลคล้ายๆกับขั้นตอนของการหุงอาหารหรือการปลูกพืชต่งางๆนั่นเองเมื่อผ่านขั้นตอนมาถึงจุดที่จะสุกถ้ายังไม่สุกแสดงว่าขั้นตอนยังไม่ถึงพอถ้าขั้นตอนถึงก็ต้องสุกไม่ว่าจะเป็นผลไม้การหุงอาหารการอาบน้ําการรับประทานอาหารก็ตาม ผ่านขั้นตอนมาถึงจุดที่จะอิ่มมันก็ต้องอิ่มแต่ยังไม่อิ่มแสดงว่าขั้นตอนนั้นยังไม่ถึงก็ทา น, นั้นเองด็นั้นการตรวจสอบขั้นแรกก็คือตรวจสอบสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาจะต้องเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ไม่จะปรารถนาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือฝืนกติธรรมดาจนปฏิเสธกติธรรมดาเช่นปรารถนาไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังกล่าวแล้ว การประสบผลอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าผลบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ในลักษณะของการบรรเทาให้เบาบางลงไปเมื่อปรารถนาผลแต่ในยั ง, ยงหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบดูเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นได้เห็นว่าเหตุยังไม่มีก็ลงมือประกอบกระทำลงไปทีนี้เมื่อสร้างเหตุจนมีความสมบูรณ์แล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ในการสร้างเหตุนัน้นเราสังเกตว่ามันก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือละสิ่งที่เป็นอุปสรรคกัดขวางสมหมายความมาถ้งหมดอุปสรรคที่กัดขวางแล้วไอเหตุนั้นก็จะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นหรือว่าสร้างในส่วนที่เป็นความดีเป็นตัวเหตุให้บรรลุผลเช่นนั้นไอตัวเหตุ ด้วยความดีเหล่านั้นเองจะทำหน้าที่กระจัดอุปสรรคกัดขวางให้ผลก็ออกมาในทานองเดียวกันคราวนี้พึงอยู่พึงดูตัวอย่างการประพฤติธปฏิบัติตมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งมากราวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการละความชั่วประพฤติความดีมีเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนี้รกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอก ใครจะสามารถสางร ก, กชัดนี้ออกไปได้พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวอยู่ในสังสารวัฏนั้นกระทําไปสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถสางรกชัดได้ซึ่งก็หมายความว่า ศีล ส, สมาธิปัญญาที่บุคคลอบรมกระทำให้มากนั่นเองจะทำหน้าที่สางรกชัดออกไปเมื่อรคชัดเหล่านั้นหมดไปไอความรกทั้งภายในภายนอกมันก็หายไปจิตใจของบุคคลก็สัมผัสผลเป็นความสุขความส ง, งบอย่างเต็มที่แต่ว่าโดยปริยายอื่นก็จะกล่าวถึงการสางตัวรคชัดนั่นเอง ตัวมองเห็นโทษของการโรคชัดแล้วของของโรคชัดแล้วก็พยายามสางโรคชัดเหล่านั้นเพราะวาพวกกลุ่มของกิเลสไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามจะในกรณีข้างต้นที่กล่าวแล้วคือความอยากความปรารถนาผลต่างๆซึ่งส่วนมากแล้วต้องการในลักษณะโดยลอยก็เป็นอาการของโลภเกินส่วนของโมหะที่เกินส่วนออกไปโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นเป็นไปได้ยาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยทำไปแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยตัวภาวะตัณหานั่นเองล้วก็ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆพราะวะตัณหาจึงมีจะมีลักษณะเหมือนกับแคร์หรือยานภาณะที่อาศัยข้ามฝากให้เราสังเกตว่าภาวะตัณหานั้นเป็นกิเลสประเภทมีแรงดันสูง คือมีแรงผลักดันคล้ายๆกับยานพาหนะต่างๆมันจะมีแรงผลักดันคนรบปรารถนาความเป็นความมีอะไรก็ตามจะพุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นอย่างแรงแต่ทีนี้การพุ่งไปโดยไม่มีทิศทางไม่มีเหตุผลขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั้นโอกาสที่จะประสบความพิบัติก็มีได้ง่ายเพระอาจารย์จึงสอนให้เสริมสร้างคุณธรรม เป็นตัวควบคุมภาวะตันหาเหล่านั้นให้ดำเนินไปในทางที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นแต่สามารถสัมผัสผลที่ตนต้องการได้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทิ้งตันหาอย่างที่พระนรเทระได้กล่าวไว้ว่าอาศัยตันหาแล้วก็ละตันหาเอาตันหาเป็นเหมือนกับเรือหรื อ, อยานผ่านะข้ามฝาก ในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นตะลิ่งหรือขึ้นฝั่งเราก็ต้องอาศัยเรือไปแต่พึงพอถึงคราวจะขึ้นฝั่งมันก็ต้องทิ้งเรือนั่นก็เป็นวิธีการแบบธรรมชาติธรรมดาแต่การจะทิ้งหรือการจะละเรือนั้นก็ต้องมองเทียบเคียงเห็นได้ทั้งสองด้านไาขึ้นฝั่งนั้นดีกว่าอยู่ในเรือแต่ถ้าบุคคลยังเพลิดเพลินอยู่กับเรือไม่ยอมทิ้งเรือมันก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เมื่อการมอง ถึงรกชัดคือหเห็นว่าภายในใจรกชัดในเก่กัการมองเห็นโทษนั่นเองแต่ถ้ายังมองเห็นแก่ว่าเป็นคุณเป็นความดีไปความคิดที่จะสละละวางก็เกิดขึ้นไม่ได้รกชัดเฉพาะในที่นี้หรือที่ท่านกล่าวไว้ในที่ น, นี้ที่คําว่าที่นี้นั้นมันเป็นโวหารในการเทศในการแสดงของพระพุทธเจ้าในที่ น, นี้พูดกันขนาดนี้คนกลุ่มนี้ก็เข้าใจแล้วก็พูดท่านนี้แหละ แต่จริงๆแล้วเึงสังเกตว่าพวกกิเลสนั้นแกมีรากง่ามอย่างเดียวกันพูดยังไงก็ได้แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งสงบนั้นแสดงว่าฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกันต้องสงบให้ลองสังเกตระหว่างความรักกับความจงอะไรที่เรารักมากถ้าใครมาแตะต้องมาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางสิ่งนั้นเราจะโกรธมากแต่ถ้าสิ่งนั้นเรารักน้อย ใครไปทำอะไรกับสิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกโกรธก็โกรธน้อยถ้าสิ่งนั้นเราไม่รักเลยแล้วใครไปทำอะไรกับสิ่งนั้นเราจะไม่รู้สึกโกรธเลยนี่แสดงเห็นว่าในขณะที่ความรักมันลดนั้นความโกรธแก่ก็ลดลงไปได้วยการที่ความรักความโกรธแกลดแสดงว่าความหลงก็ลดลงไป เพรนี้เพสังเกตตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไปในต่างประเทศไปเห็นคนตัดไม้ทําลายป่าอะไรเราก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกไม่พอใจถ้าจะถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่รู้สึกว่าเป็นชาติบ้านเมืองของเราเป็นป่าไม้ของเราที่จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราความโกรธก็ลดความหลงด้วยอํานาจความยึดความติดก็ลดทําให้ความรักเรา ไม่ได้ตีกลับมาเป็นความโกรธดังนั้นเมื่อกล่าวถึงโวหารในการเทศก็อาจจะจับเพียงกิเลสข้อเดียวขึ้นมาก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะที่จริงแล้วมันมีรากง่าอันเดียวกันการที่ยืนยันว่ากิเลสตัวหนึ่งลดโดยกิเลสอื่นไม่ลดนั้นเป็นไปไม่ได้คือแสดงว่าไม่มีอะไรลดบางอย่างเราสามารถสรวจสอบกลับไปกลับมากันคราวนี้เพิงดูตัวอย่างที่น่าจะสังเกตแล้วก็ตรวจสอบ ภายใน จ, จิตใจของตัวเองนในกรณีของการปฏิบัติสมาธิสมาธินั้นเป็นค่าศึกโดยตรงต่อากามาฉันกามาฉันก็คือความโลภความกำหนัดความรักใคร่ ย, ยินดีความพอใจคือกิเลสประเภทข่อยคว้าทั้งหลายแต่บางทีนั้นมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวบุคคลจนที่เราพูดกันว่ากรรมาฐานคี้โกรธสโกคีขอ ซึ่หมายความว่าเป็นภาวะขัดแย้งกันระหว่างการปฏิบัติคนหนึ่งแสดงตัวเป็นคนสันโดษดินดีตามมีตามได้แต่เห็นอะไรขอดะก็แสดงว่าไม่สันโดษเพราะถ้าสันโดษต้องไม่ขอทีนี้ใจที่ผ่านสมาธิผ่านผ่านการปฏิบัติที่บอกว่าเป็นสมาธิหรือเข้าใจว่าเป็นสมาธิหรือคนอื่นยอมรับว่าได้สมาธินี่จะต้องไม่แสดงความโลภความอยากได้กันด้วยประการต่างๆ จนไม่สามารถที่จะควบคุมความปรารถนาของตัวเองไม่ได้มีการขอนั้นขอนี้อยากได้นั้นอยากได้นี้กันด้วยวิธีการต่างๆหรือแม้จะสร้างอะไรก็สร้างได้ใ ห, ใหญ่โตโมดันเป็นการแสดงเห็นว่าความสงบภายในนั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆเพราะถ้ามีอยู่จริงๆความโลภในลักษณะนั้นจะไม่ปรากฏ คนนี้ก็มองแม่บทในทางปฏิบัติที่ได้รับผลจริงๆอย่างเราบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าละตันหาถอนตันหาพร้อมทั้งมูญรากได้แล้วแม้จะมีอะไรมากระตุ้นมาเร่งเรามายั่วยุมา ย, ยั่ยวยวนยังไงก็ตามพระองค์เป็นตาทีโนคือคงที่ไม่หวั่นไหว เช่นปางที่นางตัณหานางราคาน า, นาตีมายุโยนด้วยรูปที่มีความหลากหลายปรุงแต่งกันอย่างประณีตสวยงามมีหลากหลายด้วยวัยด้วยรูปร่างด้วยสัดส่วนด้วยสันฐานด้วยผิวพรรณซึ่งถ้าใจภายในมีกิเลสอยู่ก็ต้องแสดงการไขว้ความปรารถนาแต่พระพุทธเจ้าสงบได้ทุกสถานการณ์ ว่าจะมาในรูปยั่วยุยั่วยวนคุมคูคุก ค, คามอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นมีอยู่จริงจแต่ถ้ามีลักษณะขัดแย้งดังกล่าวอย่างที่นวนที่พูดว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็แสดงว่าไม่เป็นทั้งกรรมฐานไม่เป็นทั้งสันโดษเพราละลักษณะของสันโดษนั้นคือยินดีตามมีตามได้การไขว่คว้าขออยู่ดะกก็แสดงว่าไม่สันโดษ คือกรรมฐานเนี่ยต้องสงบความกรมฉันสงบพ ย, พยาบาทแต่กรมฉันอย่าคนที่กรรมฐานยังแสดงความอยากได้ซึ่งขัดแย้งกับคนที่ปฏิบัติสมาธิแสดงความอยากได้ซึ่งขัดกับอาการของสมาธิหรือแสดงความโกรธซึ่งเป็นอาการของพยาบาทก็หมายความว่าคนนั้นไม่ได้ผลของกรรมฐานไม่ได้ผลของสมาธิรคชาติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้น ทรงแสดงว่าราคะได้แก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฐิซึ่งหมายความว่าทัศน์สามพวกนี้ลงไปได้พวกนี้ส ง, งบลงไปอาการของราคะเกิด อ, อาการของความกำหนัดอาการของความโกรธของความหลงของมานะของทิฐิก็ต้องลดละล ง, ลงไปแต่ว่าอาการของพวกนี้ไม่ลดละความเมตตาที่เราต้องการที่เราต้องการเป็นความสุขเป็นความส ง, งบ เขามีความสุขความเจริญเขาให้มีความสุ ข, ข, ค, วขความสามงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นตัวเขตไม่ให้เกิดความสงบไม่ให้เกิดความสุขเมื่อเราปรารถนาความสุขมันก็ต้องลดตัวนี้เราจะเรียกให้ครบทั้งชุดก็ได้าบางทีก็ใช้คําว่าราคะโทสะมานะกิเลส หรือราคาโทสะมานะทิฏฐิก็ได้ แ, แต่จะเรียกแต่ทั้งหมดนั้นก็คือปัจจัยให้เกิดความไม่สงบหรือให้เกิดสิ่งที่เป็นเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกแต่มารอเราปรารถนาลาบยศสรเสญสุขแต่ไปสร้างเหตุคือเหตุของลาบยศสันสนุกยังไม่เกิดขึ้นแต่เหตุของความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกมีอยู่ แม้จะตั้งความปรารถนาอย่างไรหรือรับศีลรับพรอย่างไรหรือจะส่งสรกรสอรกันอย่างไรผลเหล่า น, นั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ผลเมื่อบุคคลต้องการผลเช่นใดและรู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้นก็จะใช้ได้ทั้งสองวิธีคือวิธีสร้างเหตุหรือวิธีขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพูดง่ายว่าวิธีละและก็วิธีภาวนา แต่จะเป็นปัจจัยนำพาซึ่งผลที่ตนปรารถนาให้มันเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสมมงบสืบต่อไป